เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านจากที่นิพพานท่านก็ถธรรมากเลยกับพระตงฆ์รูปไม่ให้ใครมีกรรมติดทำรม้าคำสอนของพระพุทธเจ้าพราะาศาสนาจะเจริญลุ่เสื่อมไปก็ต้องอาศัยริธีกรที่ที่สุจิีสุดมีอุบายจบสุดอุตร เ่ี๋ยวนี้พิกูุนนี้ไม่มีแต่เรามองผ่นินแต่เมื่อมองเข้าไปลึกๆก็ต้องมีพิกูุนนี้ไม่มีมีแต่พิกูุอุบาสกพิสูจน์สาวถ้าพูดเข้ามาให้มันมีมองลึกๆพิกูุนนี้ก็คือผู้หญิงนั่นเองเพศหญิงอย่างแม่ขาวก็ได้หรือแม่ดำก็ได้แต่เป็นเพศหญิงพิกูุก็เป็นเพศชาย เป็นพระก็ได้เป็นเลนก็ได้ทินโยมก็ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมที่ไหนคาสอนของพระเจ้าอยู่แต่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมที่ไหนตารคำสอนนั้นทําอยู่เป็นประจําคือลักการลักงานลักหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่รงสอนเอาไว้นั่นว่นมักผลมิถายก็จกไม่ว่างจากหลงนี้ วันนี้ถ้าหากพุทโธกูวาสุวัสิก า, าอยู่โ ด, ย, ย, ดยชอบคำว่าอยู่โดยชอบเรียกหมายถึงกกลูกขับกลมลูกติดตัวตื่ส่วนลูกใจตืใจอยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ด้วยการเห็นแจ้งอยู่ด้วยความระมัดระวังไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นทําให้ตนเองมีความสุข ทำให้คนอืน่นมีความสุขนั่นนี่หว่าพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ขอะกุฏิจาวทางศาสน <c oughs> าไทยดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจริงพวกคนปฏิบัติงานหน้าที่หน้าที่ของเราต้องรักถ้าเราไม่รักแล้วการงานนั้นก็ไม่สำเร็จเ <c oughs> มื่อการงานไม่สำเร็จเราก็าเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิัี <c oughs> ค, คือไม่ท คือเราไม่รักงานไม่รักงานนั้นเองเมื่อไม่รักงานไม่รักงานแล้วการงานก็ไม่สำเร็จเมื anyway. ่อการงานไม่สำเร็จผลก็เลยไม่ปรากเมื่อผลไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เสียเวลาการงานเสียความเป็นคนเสียความสะพตกเสียความปฏิบัติถ้าพูดสันใกร่ใจก็เสียความเป็นคนพูดไม่จริงทําไม่จริง เมื่อเสียความเป็นคนแล้วเสียความเป็นมนุษย์ควาเป็นมนุษย์ก็ไม่มีมนุษย์หมายถึงบุคคลผููิที่ข้ามติดใจไดไ้เมื่อจิตใจโลเลหลอกแหล่ไม่จริงไม่จับก็เป็นมนุษย์ไปได้เมื่อเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็เป็นเทวดาไม่ได้คือยังไม่มีภูมิลาอัตตต่อการทําการพูดสั ร, รคิด คนไม่มีความละอายต่อการทําการพูดการคิดกบขู่ปิ้ลโ เ, เลื้อนไปพูดนั้นพูดนี้ไ ม, ไม่จริงไม่จริงแว่าเราไม่มีความละอายในตัวเมื่อไม่มีความละอายในตัวความเป็นเทวดาคงหมดไปเมื่อความเป็นเทวดาหมดไปแล้วก็เป็นเทวดาไม่ได้เยาวัตอยากคือของจริงมันหมดไปแล้ว วันนี้ควนเป็นพระอินทร์พระพรหมก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีเมตตาไม่มีสงสารไม่มีการเอื้อเฟื้อไม่มีการดูแลตัวเองและเพื่อนเราหมดหมดควมเป็นพระอินทร์พระพหมเมืม่อเป็นหมดความเป็นพระอินทร์คระพรมแล้วคนเป็นพระเลียบุครชอบประพฤจนขึ้นไม่ได้ คนเจ้าะรรนมา้จัตั้งใ จ, จคือของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคงที่ฐาวรเมื่อหมดความเป็นอาญาบุคคลแล้วเราก็มีอกไม่มีเวลาที่จะพบกับแสงตะวันหรือจะพบกับธรรมะไทยคือทำอันลึกซึ้งทำอันยิ่งจังวะทำอันลึกซึ้งทำอันยิ่ง เนื้อไปปกลรอเป็นมนุษย์เนื้อไปปกครอเป็นเทวดาเนื้อไปปกครเป็นอินทรย์วพระพุทธเจ้าเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรื่องส่วนธรรมะธรรมสอของพระเจ้ายูงเป็นสิ่งที่ลึกหนาอยากฆ่าิดเอาไม่ได้โดนเดาเอาไม่ได้อยแปลให้มันสุกแั้ยงไม่ได้จึงทาเองนู้เองเห็นเอง เข้าใจเองเป็นเองรวมเป็นเองนั้นคือทําให้ฝุกจังหวะไม่ใช่พูดได้แล้วรู้ธรรมะไม่ได้ธรรมะธรรมะยังไม่ปรากฏนั้นสแสดงว่าเรายังไม่รู้ธรรมะแต่ตัวธรรมะมีอยู่แล้วแต่สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏคือยังไม่สแสดงหรือไม่ปรากฏบ้านผมบอกปรากฏไม่ใช่ปรากฏที่ตามน้ำนนคือมันยังไม่สแสดง ยังไม่มีสิ่งที่สําคัญเพื่อความอัจฉริย์นั้นนะยังไม่แสดงอย่างที่เคยพูดกั น, นไว้ว่าเม็ดข้าวทุกเม็ดถ้าแต่เคาะลงแล้วมันต้องงอกทุกเม็ดถ้าเป็นเม็ดข้าวอ้วนเต็มถ้าเป็นเม็ดข้าวหอมก็ น, น, น้ำถ้าเป็นเม็ดข้าวไม่มีไนโตรไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะงอกออกมาได้การปฏิบัติธรรมากกว่เช่นเดียว ถ้าเราไม่ลกไม่คิดถึงไม่เอาใจใส่ไม่เอืด อ, อื้งก็หลาละเลยต่อมาที่ธรรมะจึงไม่ปราปกฏชุ่มให้แก่บุคคลผู้เช่นนั้ น, านจารย์จตุพรเนื้อติดของพระเจ้ามีคุณภาพไม่เหมือนกันหรือความเะน่ห์ตำนานก็ไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเสน่ห์น้องลูกติดตั้งทัเลิศ ตรนั้นเลิกอย่างนั้นตรนั้นเลิกอย่างนั้นเ gegangen, ราก็ได้เข้าใจแล้วเราเข้าใจอย่างนั้นตัวเราเองเลิกแล้วด er ้วยอย่างสมม <Yes. S 2> ุติเขามีบุคคลหนึ่งเป็นเศรษฐีแต่พวกเราทั้งหลายอยากเป็นเศรษฐีแต่ไปยกย่องเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีคนนั้นดีนะมีเงินมากนะเพื่อเพื่อเพื่อนถูมากนะเรามีเงินเหมือนเขาแล้วด้วอย่างเรามีเเพื่อเพื่อเพื่อนถึงแล้วด้วยอย่าง ถ้ า, าเรายังไม่เกิดอย่างนั้ก็สแสดงว่าเราไปยกย่านตัวเองเรายังเป็นคนหลงคนลืมตัวเรายังไม่จะตระหนักตัวเองถ้าเราตระหนักตัวเองอยู่เสมอเ ร, สเราลักพระพุทธเจ้าเราลักเราลักพระสงฆ์ลักพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนั้นแต่ท่านไม่ขาดไปแล้วรักพระธรรมคํามทงสอนของท่านานั้นก็อยู่ในประเทศอินเดียเรื่องในประเทศไทยลักพระสงฆ์ ที่เป็นลูกชาวบ้านเด็กแล้วฝึกไปฝึกแล้วขบวนมามันตัดแต่กับอันนั้นพอดีแต่เมื่อลักพระพุทธเจ้าคือลักการสอของพระพุทธเจ้าลักพฤธรรมคือลักการธรรมของตัวเราลักพะสงฆ์ก็เราต้องฝึกปฏิบัติตามแนวสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนอะไรนั้นธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าคือพะวกนั้นท่านมอบไว้ให้เรทุกพบริศั คือพวกเราที่เองปฏพบติปฏิบัติชอบเมื่อทุกคนประพบติปฏิบัติชอบแล้วมักพ้นนิพพานก็จะไม่ว่างอากหลกนี้มักพ้นนิพพานนั้นไม่ได้หมายถึงกานตายแล้วคือความไม่ทุกข์ความไม่เหยียดล้อดูที่ไหนก็พอที่จะละมัดระวังตัวได้ดูไปด้วยความไม่สับสนวุ่นวายไม่สกปรือ อยู่กับคณะทักพวกนันมากก็อยู่ด้วยความสบายแกว่าเห็นรู้บังคนใดทําผิดสุดผิดต้องว่ากับจักรยานอัน้ว่าหน้าที่ของนุนคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเมื่อเขาทาผิดเห็นได้เฉย น, นั้นผิดไปคื อ, มอไม่ละตัวไม่ละคณะไม่ละทักพวก ถ้าเห็นคนทำผิดเราเรีบอย่างที่เราพูดกันปวารณน้ำขึ้นสั่งคาทันเตปวปวารณเนี้คือมีการปรวารณงานให้ขันและกันใครทำผิดใครทำถูกต้องมีการโย ง, งต่ขอขันคนทำผิดแล้วต้องแก้ตัวถัดติพระภูริเจ้าทำการเสริญถ้าหากทำผิดแล้วไม่ยอมแก้พระภูริเจ้าถัด น, นี้ท่านว่าเป็นคนปัจนุ เป็นคนที่ไม่เข้าใจเป็นคนที่ไม่เอืเอ้อเฟื้อคําสอนของพระเจ้าวันนี้เมื่อทุกคนทําการทํางานสามหน้าที่เมื่อเราทําผิดส่งกับเตือนเราเราก็สงบได้แล้ว ก, ก็ดูโดยชอบได้ปฏิยุทธ์เพื่อคนสงนบดูโดยชอบเป้าหมายถึงคํานึ ง, งคือเขาผูกขันเราเราทำผิดเราสู้ผิดเพื่อนตักเตือนเราเขารักเราเขาชอบเรา เขาจะเตือนเราเมื่อเขาไม่รักเราไม่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ตักเตือนเราเมื่อเขาไม่ตักเตือนหราเราก็ยิ่งทาผิดพู้ผิดคิดผิดไปหนักไปทุกวันทุกวันอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่สนัเสนุนเมื่อมีเพื่อนตักเตือนรับรับทันทีจะผิดก็ได้ผูกก็ได้หลับไว้มาพิจารณาตัวเองสนะคือใยชอบ คำว่าดูโดยชอบก็หมายถึงะไม่เหลือดร้อนขั้งตัวเองและผลอื่นลับไปเฉยๆคําพูดมันเป็นเพียงลม่ากเท่านั้นเแต่เมื่อในใจผ ม, มั้นดูด้วยการหยุดแย้งกันว่าเป็นพระอรันทัก็จะได้ว่าจากหลงนี้เพราะอยับยังสั่งใจได้ถ้ายับยังสั่งใจไม่ได้ก็จะเดือดรเราเป็นผู้ตรวจมเป็นคนหมดไปผู้หนาผปุทุชนคือผู้หนาแน่นอยู่ด้วยผมไม่รู้ ผู้หนาแน่นอยู่ด้วยอดิชผู้หนาแน่นอยู่ด้วยความมืดผู้หนาแน่นอยู่ด้วยความหลงเมื่อมีความมืดผมไม่รู้ผมหลงมีอยู่มากพอแล้วเราจะเดินไปที่ไหนม่นจะถูกต้องถ้าไม่มีคนที่หูดีตาดีมีคนแข้งขาดีขาเดินอย่างที่เราเคยรู้เคยเห็นกันมาเคยได้ยินได้ฟังกันมาสมัยพระพุทธเจ้าแต่เมื่ อ, อยังเป็น คนธรรมดาเขาไปศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์หลายอาจารย์ตลอดอดข้าวอดน้ําไม่กินข้าวไม่กินน้ําอันนั้นไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคําสอนเรื่องลือสีสีภัยหรือว่าเป็นคําสอนดึกดํารันต่อเมื่อพระองค์ได้มาบําเพ็ญทางจิตท่านได้รู้แจ้งถึงนจริงตามความเป็นจริงแล้วท่านก็เลยประกาศตัวว่า เราได้รู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วจึงนํามาสอนนํามาสอนพวกเราก็ได้นํามาสอนในตราประเทศอินเดียก็ได้จะท่านสอนท่านสอนของจีนคนอินเดียพูดต้องพูดเป็นภาษาบาลีแล้วคนไทยผู้ก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยแต่คนอินเดียผู้ภาษาเขาเขาดูกันคนจีนผู้ภาษาเขาเขาดูกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษ คนคาเมลคนดวนคนลาวไม่ว่าขึ้นใดพูดอย่างไรต้องรู้กัน ท, ทันทีเนื้อคำพูดมันจึงดีนได้แต่ตัวธรรมะดีดไม่ได้จึงว่าจะรู้เอารองหน้าไม่ได้พาดคิดเอาไม่ได้ดนเดาเอาไม่ได้ให้ตัวมันเองเป็นเองขอหมายถึงสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ท่านพูดอย่างนั้นอย่างนั้นจึงว่าคําพูดมันบางทีเราพาดคิดเอาคงเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นขาดขาดคิดในหนังสือกลามาสูท่านจัดไว้สิข้อกว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตากันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทากันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นมีอยู่ในตำราอย่าเชื่อถือเป็นการโดนเดานึกคิดออกมันสิพ่อครับเราต้องควรํานึกเอาไว้ ถ้าหากว่าเราเรียนพระใจปิดกจบแล้วรู้ธรรมะเราไม่ต้องลงมือปฏิบัติการปฏิบัติมันเป็นหัวใจหรือเป็นคนแจรูปเองทาไมวเป็นหัวใจเป็นคนแจนหมายถึงคนแจนมันถูกปิดไว้ถ้าไม่เป็นลูกของมันชอดเข้าแล้วมันจะไม่ไขแต่ถึงไขสมัยนี้เขาเอาเหล็กอง อ, ง อ, งองไปไขไปบิด คนเจ้าเขาขายได้อันนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องสมมุติถ้าเป็นลูกของมันจริงๆแล้วเราเอาเสีเข้าไปบิดมันขายกันทีดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเอกไปใช้ได้ทุกขณะทุกการทุกเวลาทําไมเอาไปใช้ได้ทุกขณะก็มันไม่เดือดร้อนทุกขณะจิตนึกคิดเห็นตัวเรา เป็นคนไม่หลงตนไม่ลืมตัวที่ว่กคนเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมแล้วก็ดูด้วยธรรมดูดมาด้วยธรรมเห็นธรรมมไม่ใช่ไปเห็นสีแสงผีเทวดาอันนั้นท่านว่านิมิตแต่นิมิตอันนั้นไม่ใช่นิมิตที่ผมพูดนี้อันนั้นเป็นมายาของจิตใจจิตใจมันหลอกลวงเฉพาะคนผู้ที่ไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วจิตใจมันจะหลอกลวงไม่ได้ เห็นธรรมะก็เห็นตัวเรา Arizona, นี Fool ่ตัวเรานี่แหละคือธรรมะเปลือกเปลือกมันตัวคําพูดของเรานี่แหละคือเป็นที่ไหนตัวจิตใจนึกคิดนั่นแหละคือตัวอธิฐานที่ว่าสามปีดกนี้ศึกษาลงแล้วก็เห็นแจ้งรู้กินได้ไม่พลาดผิดเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมะนั้นมันมีมา่อนแล้วแต่ยังไม่มีคนต้นท่านั้นเองเราตถาคต เราผู้เป็นสถาปต์ไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราสถาปตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราสถาปนนี้ทั้งสอเรื่องไม่ใช่พูดคําพูดนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นสมมุติพูดขึ้นมาแต่การกระทํานั่นทาเหมือนอกับพระพุทธเจ้าถึงหลักงานหลักงานหลักหน้าที่ เมื่อเราแม่รับกานแม่รักงานแม่รักหน้าที่แล้วก็เราลับเลยไปแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ปรกฏคือพระพุทธเจ้าคือที่เราเห็นแจ้งหรือสะอาดสว่างสงบ ม, มันคําพูดมันดิน้นนะคาว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรคําว่าสะอาดหมายถึงอะไรคําว่าสงบหมายถึงอะไรเราดีนน้นนะสะอาดก็หมายถึงไม่ปกติสว่างก็หมายถึงกแจ้ง สงบกลม่หล่ไม่เดือดร้อนเราพูดธใจแต่บ้างที่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ที่นำมาเล่าสู่ฟังนี้เพราะเป็นวาละครั้งสุดท้ายที่เราจำพรรษา้วยกันพระดูมันยี่สิบหกลู ก, ล ก, ลก โ, โดยสักตจิตยยี่สิบกยี่สิบรูปแล้วก็ญาติโยมหลายคนมาปฏิบัติธรรมมาได้อันใดใม า, าได้อันใดนี่กัน เราวางคําพูดนั้ได้อะไรอาทางภาคกลางเราไดอะไรบ้านผมเนี lands, mm ่ย hmm. ว yeah, ่าได้อันใดเนมันดิ้นกันอันใดกับอะไรเนี่ยมันมันอันใดก็ต้องมีมันมันเป็นตัวหนึ่งอะไรมันต้องเป็นอันนึ่มันดิ่นได้คําพูดเดี๋ยวคำพูดมันต้องดิ่นได้แค่สําหรับยกมืออย่างนี้แบมืออย่างนี้เอาทุกคนแบมือรู้ว่ามือตัวเองแบได้แล้วกามืออย่างเนี้เนื้อประเด็นเรากำมืออย่างเนี้ทุกคนว่ารู้กำมือได้แล้ว แต่ความสัมผัสรู้กำ ม, มือเยียดมือเน่ยมันดิ้นไม่ได้โอ้อยางนี้เขาเรียกกำ ม, มือและมีความสัมผัสขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เขาอาแบมือนี่มื อ, ม อ, มอเยียดแตอย่างนี้เขาเรียกบแบมือความสัมผัส ม, มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นการรู้ธรรมะก็เช่นเดียวกันจิงว่ารู้ทีแรกควรู้เรื่องตัวเองกําลังทํากําลังถูกกาลังคิดจึงพระใจไปดกทั้งสามไปดกพูดกันสั้น ไม่ได้พูดถึงพระสูตรพระวินยัยศาสตร์ที่ที่ผมพูดนี่ค พ, พูดแเรื่องขัดกับภาษาที่ของท่านเรียนคือภาษาที่มีในตัวหนังสือแต่คงไม่ขัดถ้าคนเข้าใจแล้วดังนั้นระดับปฏิปัญญาของคนนั้นไม่เหมือนกันคือพระสูตรตันต์ปีดกสองหมื่นหนึ่งพันธมฆันพระวินัยปีดกสองหมื่นหนึ่งพันพัทธมฆันสองปีดกนี้เป็นสี่หมื่นสองพันธมฆัน พระอาทิตย์ทำปีดกเดียว 42,000 คติธรรมขันรวมเป็น 84,000 คติธรรมขันบางคนก็ยอดลงมาเป็น8ถึงเอาใจใครจะตีปัญหาแต่เรื่องไหนแจบบ่การตีปัญหา6คิดนั่นดีแล้วเพราะใช้สติปัญญาพิจรารณาเพื่อการถึงแจ้งด้วยการรับรองคำพูดของตัวเ อ, ไองได้แต่เมื่อมาพิจรารณาความจริงของตัวเองพาสู ก็คือลางกา่าลูกเรานี่มันเป็นตัวเป็นตนพระวินัยคือคําพูดของเรานี่เองถ้าพูดผิดมันผิดถ้าอธิธรรมคือใจนี่นเองสั่งให้ปากพูดอย่างนั้นสั่งให้กายทําอย่างนั้นนี่วะทั้งสามปีดกเนี่ยรวมได้แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์ถ้าใจไม่สั่งแล้วกายทำไม่ได้ถ้าใจไม่สั่งแล้วคําพูดไม่ได้ จุดว่าใจเป็นสิ่งสําคัญจุดว่ารักษาที่ใจแต่ควบคิมใจไม่ต้องลักษาแต่เราให้ออกหน้าใจคิดได้ออกหน้าใจคิดได้หมายถึงอะไรคือเราต้องรู้ว่าจิตใจมันคิดเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องรู้ถ้าเราเพียงรู้มันคิดมันคิดมันก็เลยเข้าไปในความคิดเมื่อมันเข้าไปในความคิดมันทันหีว่าตัวเกิดุกทุ ก, ท ก, ทกต้องกำหนดรู้ สมุทัยต้องละมักต้องจเจริญทุกต้องกำหนดรู้พอดีมันคิดเรา ก, ก็มาทำโฟมรู้สึกคือภาพตุกทำโฟมรู้สึกคือมือเรากรรมหรือเราเหยียดมือเราจับยกมือไหว้อะไรก็ได้เดีย๋ยวเป็นภาพตุกอทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละคือตัวคิดมันละไม่ได้ก็ต้องถอนตัวนั้นออกมาอยู่กับโมรู้สึกอันนี้มันกรละที่มันมักต้องจเจริญ มักก็ต้องถามใบบอกมนเี่ยดูบ่อยๆสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนจากไปไม่ได้มีโลดทําให้แจ้งเมื่อสิ่งนี้ทำถึงที่สุดของอันแล้วมันจ ะ, สะแสดงตัวมันไปไม่ต้องไปถามใครที่ไหนจะมีตําราก็ได้ไม่มีตําราพอได้เพราะมันมีในฝันทุกคนมีอยู่แล้วพร้อมแล้วที่จะให้เราพบได้เห็นได้ จีวะคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่กาหนดเสื้อชาตะกวันะไม่กำหนดใครปฏิบัติรู้ทรรมนั้นจีวะธรรมะคาสอนของพระเจ้าจึงเป็นสาคุลไม่เป็นของใครจัดสังวชได้ไม่ได้คนไทยถือศาสนาพุทธปฏิบัติรู้คนไทยถือศาสนาพิธีปฏิบัติ้เนื้อคนฝลังเศถือศาสนาพิปฏิบัติแทแต่ให้รู้จังหวะ ให้รู้วิธีการให้รู้ในเรื่องการกระทำเรื่อพูดกันให้รู้เรื่องถ้าพูดไปรู้เรื่องพอาต้องสอนกันโดยที่ว่าระดับใจเพราะเราไม่รู้ภาษาก็ต้องทําให้ดูดูให้เห็นทําให้ดูดูให้เห็นทําให้ดูทําอย่างนี้พาะะจ่ทําให้ดูให้เห็นต้องนั่งให้เขาดูลุกอย่างนั้นนั่งอย่างนั้น นอนอย่างนั้นนั้นประเพียดน้ําอย่างนั้นนั่งขัดสมาธิน้ําอย่างนั้นต้องทำให้เขาดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นไปไหนมาไหนก็ทําให้กันดูกันเห็นตน้มองผหด้วยตาแต่เราไม่รูกก้ภาษาก็ทําษากันไดน้แต่ขอให้ว่าเข้าใจในคําพูดนั้นแต่เมื่อไม่เข้าใจในคําพูดนั้นเราจะปฏิบัติผิดเมืเ่อเราปฏิบัติผิดผลมันก็ได้รับทิด เมื่อทุกออกมาแล้วก็เดือดร้อนตับ ส, ส ม, มุนหวาแม้ในครอบครัวบ้านเราเล็กๆน้อยๆก็มีคนทุกข์ตาา่างกันทีพอแม่เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์ไปด้วยไม่ใช่พ่อแม่เป็นทุกข์ลูกไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่อย่างคือในค เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์ไปด้วยไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่เพาะอยู่ในครอบครัวกันเพีงเดียวกันวันนี้เมื่อพ่อแม่ไม่มีทุกข์ลูกอยู่ก็ไม่มีทุกข์เมื่อลูกไม่มีทุกข์พ่อแม่ก็ไม่มีทุกข์บ่วมไม่มีทุกข์มันถนัดสงบบ่วมสงบนั่นคือไม่ทุกข์ไม่เหดืยนร้อนพูดแล้วลูกกันได้เป็นหน้าที่ของคนคนมันต้องมีการกระทําอย่างนั้นอย่างนั้นท่า น, นทุน ดังนั้นที่ผมน้อยหวังเป็นภาษาพื้นบ้านเป็นภาษาถิ่นของคนไทยก็ว่าได้แม้ผมเป็นคนไทยก็จริงแต่เป็นคนกับใกล้ๆ ก, กับเมืองลาวเกี่ยวภาษาต่างไม่ค่อยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เข้าหลักเรียนเป็นเรื่องการปฏิบัตธิธรรมเรื่องการให้ทานรักษาสิ่งนี้ผมไปม้ทำมาเพราะผมเคยได้ประสบเรื่องนี้มา จึงก้ายืนยันรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นั่นเราคนหนึ่งจะยอมเสียสละอาวัยยวะจะยอมเสียสละชีวิตจะยอมเสียสละทั้งทรัพย์สมบัติเพื่อแลกเปลี่ยนคำสอนของพระุทธเจ้าให้มั่นคงถาวรต่อไปเพื่อตนรุ่นหลังอย่างที่เราเคยพูดกันยอมเสียสละทุกทุักเพราะรักษาเมื่อหนัง รวเจ็นไนข้าาได้ปวดเรต้องไปหาบัด น, นี้หมอบอกว่าตัดถ้าเป็นเนื้อลายได้ไม่ตัดออกเราจะตายไปเจาะยอนยอ ม, อมเสียสละเนื้อหนังเพื่อชีวิตเอาไว้บัด น, นี้ชีวิตของเราเกิดมาเป็นคนนี่นั่นไม่วา่างแต่ถ้าไม่ว่างมัน <c oughs> ดังนั้นผมมันมันเป็นคนไม่ได้เรียนหนังสือ่อยพูดภาษากลางก็ยังทไมค่อยดีแต่ว่าเคยให้ทานเคยรักษาจินเคยทำกรรมฐานมาเรื่องนี้เคยรู้ม า, อากอสมควรนึกว่าเรายอมเสียสละชีวิตได้เพราะว่าความจริงเนี่ย เ, เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตาม ปฏิบัติต้องรู้ถ้าเป็นคนจริงเสียอย่างเหี้ยเท่านั้นทีาธรรมะนั่นไม่เลือกการไม่เลือกเวลาปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าหากเรารู้วิธีการกระทำแล้ววิธีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นการวงสวงอ้อนวอนอันนั้นมันมีมาก่อนการวงสวงอ้อนวอนบูชายันอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนั้นมันเป็นคํามันนอกพุทธศาสน แต่ว่าเขาไม่มีที่พึ่งเขาต้องพึงอย่างนั้นอย่างที่ในประเทศอินเดียเขามีการลอยไฟหรืมีการอะไรกันหลายอย่างนอนเสีย่ยนนอนนาำย่างปืนย่างไฟไม่นุงเสื้อไม่นู่งผ้าอันนั้นมันไม่ได้เป็นพุทธศาสนามันเป็นละทิการกระทำเพื่อจะให้รู้ธรรมะนั่นแหละแต่มันก็ไม่เคยรู้ ที่ว่าธรรมะแท้ๆนะคือตัวเราเองให้เรารู้ว่าธรรมะคือตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอยู่นั่นแหละให้เราเห็นทำอะไรให้เราเห็นเราพูดอะไรให้เรารู้เราคิดอะไรให้เรารู้เมื่อเรารู้จุดนี้แหละมันจะคอยเดินไปเองหมดมันจะไปถึงที่สุดของจุดได้ทุกคนมันต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ชายก็ต้องเป็นอย่างนั้น ทีแรกมันรู้เรื่องตัวเองรู้เรื่องตัวเองเนื้รู้ตัวเองเนี่ยก็หมดการไหว้ผีไหว้เทวดาสิ่งที่ผิดเลิกได้อย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังเนี่ยมีกายทิดขึ้นมาเนี่ยเขามีตาทิดเห็นเมื่อมีตาทิดเห็นกายทิดก็ต้องปฟังเมื่อกายทิดปรากฏหูทิดก็ต้องฟังได้แต่ไม่ใช่ตาทิดหูทิดกายทิดอย่างที่เราเคยคาดคิดเอาไว้ไม่ได้อย่างนั้น ผมอยากดีอยากมีคาถาบังหูบังตาเนี่ยอยากหายตัวได้ผมคิดอย่างนั้นเพราะอยากดีนึกว่าพระพุทธเจ้าหายตัวได้เข้าใจอย่างนึนนกว่าพระพุเจ้าเหาะได้เข้าใจอย่างแต่อันนั้นเป็นเพียงเรื่องของามคิดของคนที่ยังไม่รู้เมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วพระพุทธเจ้าป่วยประสาวนหนักเดินมากับพระอนุญาต แตะต่อแตะมามาถึงน้ำหิวน้ำกว่าให้ตาอนุไปตักอน้ำถ้าหากว่าหอได้ก็ต้องขอกแล้วก็ครั้งแรกที่สุดพระพุทธเจ้าตัดสรู้ออกไปใหม่ไปพบออกกับนักบวชคนเนี่ยเนี่ยถ้าหากพระพุทธเจ้ามีตาคิดอย่างที่เราเคยคาดคิดเอาไว้นั้นนักบวชคนนั้นก็สแสวงหาพระพุทธเจ้าต้องการทำว่าจากพระพุทธเจ้าชิดเดียบเมื่อเห็นพระพุทธเจ้า พ, พระเจ้าก็ถามเออถามพระพเจ้าว่าเธออยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสองธรรมะหมดไหนให้หน้าเลื่อมใสหน้าคารลหน้าอูซานผ่านผลพระพุทเจ้าเขาบอกตามตรงว่าเราไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่เป็นลูกศิษย์ของใครเรารู้เองเห็นเองแล้วแต่ะละดูดีชอบแท้พามคนนั้นก็เลยไม่เข้าใจ แสดงว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ออยังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าพี่พระพุทธเจ้าจริงจิงพูดให้ฟังเข้าสารออกมาในไหนทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงจิต ท, ทีปฏิหารให้ผามคนนั้นรู้ถ้าคนมีปัญญาฟังแล้วเข้าใจถ้าคนไม่มีปัญญาก็นึกเขาเองอันนั้นเป็นผวามิดของผู้คนอะไรกันดังนั้นเรามาบวชอยู่นี่เป็นนักศึกษา เป็นตำรวจก็มีเป็นทหารก็มีเป็นผู้เป็นนักเรียนก็มีหลายคนญาติโยโมก็เช่นเดียวกันหลายคนเคยเป็นหนุ่มก็มีเคยเป็นเพ้าบ้านแม่เรือนงก็มีเคยเป็นยังไงรับเคยประสบมาแล้วสิ่งที่ผิดนั้นเราต้องรู้เองคนอื่นจะรู้แทนเราไม่ได้การกระทํำนั้นสิ่งที่มันเป็นขึ้นมาเรารู้เองคนอื่นจะรู้กับเราไม่ได้ พระเจ้าจังหวัดเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองอย่างที่เคยพูดกันเอาไว้เราต้องรู้ตามเห็นตามตัดสรุป